จเจลิญพท่านสาธุชนพุทธบรัษั์อุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันพระรหัสที่6ธันวาคมพุทธศักราช2555เป็นวันพระวันธรรมวนะัฒนาวันฟังธรรมเป็นวันที่สาธุชนพุทธบริษั ได้ปล่อยวางภารกิจทางร่างกายทางการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อมาทําภารกิจทางจิตใจที่มีความสำคัญกว่าร่างกายหลายแสนหลายล้านเท่าเพราะว่าจิตใจเป็นสิ่งที่ไม่มีตะไม่มีวันตาย แต่ร่างกายนี้เป็นของชั่วกราวมีอายุส่วนมากไม่เกินหน0่ปีก็ต้องตายจากโลกนี้ไปแต่ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ใจกับไม่ค่อยได้รับการดูแลไม่ได้ให้สิ่งที่ใจต้องการมัวแต่ไปให้สิ่งที่ร่างกายต้องการ และสิ่งที่กิเลสตัณหาต้องการถึงทำให้เราไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาดูแลรักษาใจของเราถ้าเราดูแลรักษาใจของเราแล้วใจของเราจะมีแต่ความสุขจะมีแต่ความเจริญจะไม่มีความเสือ่อมจะไม่มีความทุกข์ แต่ถ้าเราไม่ดูแลใจของเราใจของเราก็จะเสื่อมลงไปมีความทุกเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับดังนั้นเราต้องอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ควรที่จะปล่อยวางภารกิจทางร่างกายทางกิเลสตัณหาแล้วก็มาดูแลภารกิจทางด้านจิตใจ โดยการมาทำบุญให้ทานโดยการรักษาสี่งโดยการฟังเทศฟังธรรมโดยการภาวนาทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้ฉลาดเพื่อที่จะได้ดับความหลงที่หลอกให้ไปดูแลสิ่งที่ไม่มีความสำคัญหลอกไม่ให้ไปดูแลสิ่งที่ มีความสัมพันธ์สำคัญก็คือหลอกให้ไปดูแลร่างกายหลอกให้ไปรับใช้กิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆหลอกให้ไม่ให้มาดูแลรับใช้จิตใจที่เป็นสมบัติอันล้ำค่าเพราะใจนี้เป็นประธานใจเป็น เป็นผู้ที่สำคัญที่สุดเพราะความสุขและความทุกข์ 90% อยู่ที่ใจของเราความสุขความทุกข์ทางร่างกายมีเทียง 10% เท่านั้นเองถ้าใจของเราได้รับการดูแลให้มีความสุข 90% แล้วความทุกข์ทางร่างกายจะไม่มีกำลังที่จะทำให้เรา ทำให้ใจของเรามีความทุกข์ไปด้วยเพราะใจของเรามีความสุขถึง9กปซด้วยกันแต่ถ้าเราไม่ดูแลใจของเราวัวแต่ไปดูแลร่างกายเวลาร่างกายทุกนี้ทุกเพียงสิบปรเซนต์ก็จะทำให้เราทุกเหมือนร้อเซ็เพราะใจของเราจะทุกตามไปด้วยเมื่อใจเราทุกตามไป ก็รวมกันทั้งทุกใจและทุกกายก็รวมกันเป็นร้อยเปอร์เซนต์ไปแต่ถ้าเราสามารถทำให้ใจของเรามีความสุข 90% เซเวลาร่างกายทุกข์ 10% ลบกันแล้วก็ยังเหลือความสุขอยู่อีก 80% ซใจของผู้ที่มีความสุขอย่างพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย จึงไม่ทุกข์กับความทุกข์ของร่างกายร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยมากน้อยเพียงไรใจก็จะไม่ทุกข์เพราะใจมีความสุข 80% เมื่อหักลบความสุขทางร่างกายความทุกข์ทางร่างกายไป 10% ก็ยังมีความสุขอยู่ถึง 80% จึงไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย แต่ถ้าใจไม่มีความสุข 90% เนื่องจากไม่ได้ดูแลรักษาใจเวลาเกิดความทุกข์ทางร่างกายความทุกข์ก็จะบวกกันของร่างกาย 10% แล้วก็ของใจอีก 90% ก็จะเป็น 100% เอเซเพราะเวลาที่ร่างกายทุกข์ใจก็จะทุกข์ตามไปด้วยเช่นเวลาหมอบอกว่าจะฉีดยาให้ ยังไม่ทันฉีดเลยใจทุกไปก่อนแล้วทุกไป 90% ปซแล้วพอฉีดก็เลยทุกเป็นน้อยเปอร์เซ็นต์หรือหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งรักษาไม่ได้เหลือเวลาอีกสมเดือนใจก็ทุกไปก่อนแล้วทุกไป 90% ปซแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับ ก, กระวลกวายกระสับกระสา่ายไม่มีกำลังที่จะอยู่ต่อไป ท้อแท้เหลื่อหนาบางครั้งก็คิดอยากจะฆ่าตัวตายไปเสียเลยนี่คือความทุกข์ใจที่เกิดจากการไม่ได้เฝ้าดูแลจิตใจของเราตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ดูแลรักษากันคือให้เข้าวัดบ่อยๆอย่างน้อยที่สุดก็ควรจะเข้าวัดอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง เพื่อที่จะได้มาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมและมาปฏิบัติธรรมถ้าไม่สามารถมาวัดได้แต่สามารถปฏิบัติคือทำบุญให้ทานได้รักษาศีลได้ฟังเทศฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมได้ก็ถือว่าเหมือนกับมาวัดเหมือนกันเพราะการมาวัดนี้ไม่ได้สำคัญ อยู่ที่ร่างกายจะต้องมาถึงที่วัดสำคัญที่ใจว่าได้ทาบุญให้ทานหรือไม่ได้รักษาศีลหรือไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมหรือไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรือไม่สมัยนี้เราอยู่ที่ไหนเราก็ปฏิบัติได้ทานเราก็ให้ที่ไหนก็ได้ให้กับใครก็ได้หรือจะเก็บไว้ในกระปุกไว้ก่อนก็ได้ แล้วเวลามาวัดถ้าอยากจะทำบุญกับวัดทำบุญกับพระก็ค่อยเอามาศีลเราก็รักษาได้อยู่ทบทุกแห่งทุกคนอยู่แล้วเพราะศีลไม่ได้อยู่ที่สถานที่ศีลอยู่ที่กายกวาจาของเราถ้าการการกระทำทางกายและการกระทำทางวาจาของเราไม่ผิดศีลเราก็มีศีลแล้วเราอยู่นอกวันเราก็รักษาศีลได้ อยู่ในวัดก็รักษาศีลได้ไม่เปปัญหาอะไรปัญหาอยู่ตรงที่ความอยากถ้ามีความอยากแล้วมักจะรักษาศีลไม่ค่อยได้กันเ<ส>วนลาอยากได้อะไรแล้วถ้ารักษาศีลแล้ไม่ได้ก็เลยต้องขอยกเว้นศีลบางข้อไปก่อนเช<ส>่นคนที่ทํำมาหากินก็จะขอยกเว้นข้อโกหก เพราะเวลาค้าขายนี้จะบอกความจริงไม่ได้กลัวบอกแล้วคนจะไม่ซื้อของต้องโกหกว่าของนี้ซื้อมาราคาแพงได้กำไรน้อยแต่ความจริงซื้อมาราคาไม่แพงได้กำไรมากแต่ก็ไม่กล้าบอกไม่กล้าพูดความจริงความจริงถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดก็ได้ ไม่มีใครเขาบังคับให้เราต้องพูดคำคำเท็จถ้าเราบอกเขาไม่ได้เราก็ไม่ต้องบอกเขาไม่ต้องโกหกว่ากำไรนิดเดียวกำไรมากกำไรน้อยมันก็เรื่องของเราเราขายราคานี้เขาจะซื้อไม่ซื้อก็เรื่องของเขาเขาซื้อก็ซื้ อ, อไม่ซื้อก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเราอยากจะขายได้มากๆเราก็จะอยากจะโฆษณาชวนเชื่อ เราก็จะต้องหลอกลวงโกหกหลอกลวงนี่ปัญหาที่คนเรารักษาศีลไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าไม่ได้มาวัดหรือไม่ได้อยู่วัดแต่ที่รักษาศีลไม่ได้เพราะความโลภความอยากได้มากๆดังนั้นเราถ้าอยากจะรักษาศีลเราก็ต้องถือหลักมักน้อยสันโดษอย่าโลภมากคำว่ามักน้อยนี่ตรงกันข้ามกับควมว่าโลภมาก เอาเพลงเท่าที่จําเป็นพอมีพอกินก็เอาแล้วอาจจะไม่พอก็ได้อาจจะขาดบ้างแต่ก็คิดว่าถ้าไม่ตายก็ไม่เป็นไรถ้าตายก็ถือว่าถึงเวลาแล้วคนเราเกิดมาทุกคนไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายด้วยกันทุกคนแต่อย่าไปตายอย่าไปอยู่ด้วยการทําบาปทํากรรมเพราะจะไม่คุ้ม เวลาตายไปจะต้องไปใช้กรรมในอาบาตแต่ถ้าอยู่แบบอดอยากขาดแคลนแล้วไม่ทำบาปทำกรรมตายไปก็ไม่ต้องไปใช้บาปใช้กรรมถ้าไม่ได้ทําบุญก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยถ้าได้ทําบุญด้วยก็ไปเกิดเป็นเทพก่อนถ้าได้ปฏิบัติธรรมทาใจให้สงบก็ไปเกิดเป็นพรหมก่อน แล้วค่อยกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ทีหลังนี่คืออนิสงส์ที่เราจะได้รับจากการเพียงทมบุญและรักษาศีลและนั่งสมาธิแต่ถ้าเราสามารถเจริญปัญญาวิปัสนาได้มองเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดไม่หวงไม่ห่วงไม่เสียดาย อะไรจะมาก็มาอะไรจะไปก็ไปอย่างนี้ก็จะได้ไปเกิดบนชั้นของพระอริยเจ้าได้ไปเป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ถ้าไปเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปถ้าเป็นพระโสดาบันก็กลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดชาติ เป็นพระสะกิดาคามีก็กลับมาเกิดเพียงชาติเดียวเป็นพระอนาคามีก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรมแล้วก็บรรลุในสวรรค์ชั้นพรมบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ในสวรรค์ชั้นพรมได้เลยไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนี่คือการดูแลรักษาใจของเราผลที่เราจะได้รับจากการดูแลรักษาใจของเราวิเศษวิโส มากกว่าการดูแลรักษาร่างกายรักษาร่างกายได้อะไรได้อย่างมากก็ปัจจัยสี่ได้เงินได้ทองได้บ้านใหญ่หลังโตโตได้รถคันสวยๆงามงามได้เสื้อผ้าสวยงามไว้ใส่ได้มีเงินไว้สำหรับรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเวลาเจ็บก็ไปนอนโรงพยาบาลหรือหลาเหมือนไปนอนโรงแรม แต่มันก็เจ็บเหมือนเดิมจะว่านอนที่บ้านหรือไปนอนโรงแรมเวลาร่างกายมันเจ็บมันไม่สำคัญว่านอนที่ไหนมันก็เจ็บแล้วยิ่งถ้าใจไม่มีธรรมะไม่ได้รับการดูแลก็ยิ่งจะเจ็บใหญ่แต่ถ้าดูแลใจแล้วจะไม่เจ็บเลยจะเฉยๆ อ, อ, อยู่โรงพยาบาลก็ได้อยู่บ้านก็ได้ไม่เป็นปัญหาอะไรแล้วสมบัติที่เราได้มา บ้านที่เราได้มารถยนต์ที่เราได้มาเงินทองเสื้อผ้าที่เราได้มาตายไปก็เอาไปติดตัวไม่ได้แนมะ้แต่ชิ้นเดียวตายไปก็ไปอย่างทุกข์ทรมานแล้วถ้าหาเงินทองเหล่านี้มาด้วยความด้วยการทำบาปผิดศีลผิดธรรมตายไปก็จะต้องไปเกิดในอบายไปใช้กรรมไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้าง ไปเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างนี่คือถ้าเราบัวแต่ดูแลร่างกาย ร, รับใช้กิเลสตัณหากิเลสตัณหาอยากจะได้อะไรก็ซื้อมาทั้งๆ ท, ที่ไม่มีความจำเป็นการซื้อของที่ไม่มีความจำเป็นนี้เรียกว่าเป็นการรับใช้กิเลสตัณหาการซื้อของที่จาเป็นนี้เรียกว่าไม่ได้เป็นการรับใช้กิเลสตัณหา แต่ใช้ไปเพราะตามความจำเป็นดูแลรักษาร่างกายด้วยความมากน้อยสันโดษมีน้อยก็ซื้อน้อยถ้าหรือว่าจะถือสันโดษก็ให้ยินดีตามมีตามเกิดได้อะไรมามากหรือน้อยก็ให้พอใจให้สบดให้ดีใจอย่างนี้ก็จะมีความสุขถ้าได้มาแล้วไม่พอใจ ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้เช่นได้น้อยไปมากหรือได้ของไม่ดีคิดอย่างนี้แล้วก็จะมีความทุกข์ใจแต่ถ้าคิดว่าเออดีแล้วดีกว่าไม่ได้เลยคนที่ถือสันโดษมักจะคิดอย่างนี้เวลาได้อะไรมาจะคิดว่าดีแล้วดีกว่าไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าคนไม่มีสันโดษนี้เวลาได้อะไรมาไม่ถูกใจก็จะบท ว่าน้อยเกินไปบ้างของไม่ดีบ้าง น, น, น, น, น, นีก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจแล้วก็จะท่้างความอยากให้ไปหาของที่อยากได้ให้ไปหาของที่ได้น้อยนี่ให้มีมากมากก็จะต้องเสียเวลาไปทำมาหากินไปทำบาป ท, ทำกรรมวันพระก็จะไม่มีเวลาเข้าวัดมาดูแลรักษาใจ พอถึงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาจะตายตอนนั้นความทุกข์จะมีเต็ม 100% เซเลยแต่ถ้ามาดูแลรักษาใจความทุกข์ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ความสุด 90% ซถ้าเราได้สัก 30-40 ก็ยังดียังสามารถดับความทุกข์ทางกล้างกายคือลบความทุกข์ทางร่างกายออกจากใจไปได้ ทำให้มีความสุขอยู่ในภายใจของเราเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่เราตายไปหรือเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เรารักไปเราจะไม่รู้สึกร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเมื่อเช้านี้มีโยมคนหนึ่งใส่บาตไปก็น้ำตาร่วงไปพ่อเสียพ่อไปพ่อเสียไปต้องหลายวันแล้วตอนนี้ใส่บาตก็ยังร้องไห้อยู่ นี่เพราะว่าใจไม่ค่อยได้รับการดูแลเวลาสุขสบายก็ไปดูดากิเลสตัณหาชอบไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนานแต่พอมาพบกับความจริงพบกับสัจ ธ, ธรรมคือความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดจากการทัดราคจากกันก็ ทำใจให้สงบทำใจให้นิ่งไม่ได้เพราะไม่เคยฝึกทำใจให้สงบให้นิ่งไม่เคยสอนใจให้เตรียมรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นคือการพัดพลาดจากคนที่เรารักแต่ถ้าเราได้มาวัดและเราได้มาทำบุญได้มารักษาศีลโดยเฉพาะรักษาศีลแปกเพราะถ้าว่าเรารักษาศีลห้านี้จะไม่มีกำลังที่จะภาวนา ถ้ารักษาศีลแปได้ก็จะภาวนาได้ภาวนาได้แล้วใจก็จะมีความสงบปล่อยวางได้จะไม่ทุกกับการสูญเสียของคนที่เราลักไปจะไม่ทุกกับการสูญเสียของสิ่งที่เรารักไปเพราะเราจะคลายความรักคลายความยึดติดในคนในสิ่งต่างๆเพราะถ้าเราไม่คลายความ รักคลายความยึดติดเวลาเขาจากเราไปเราจะเกิดความทุกข์ทรมานใจอย่างมากนี่คือการดูแลรักษาใจของเราต้องรักษาตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเป็นขั้นเป็นตอนขั้นที่หนึ่งก็ให้ทำทานเพื่อใจของเราจะได้ไม่มีเงินทองมาเป็นเครื่องมือให้เรา ไปซื้อความสุขต่างๆเพราะมันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นความทุกข์มากกว่ามันจะไม่สามารถมาดับความทุกข์ภายในใจของเราได้มันจะไม่สามารถทำให้เรารักษาศีลได้แต่ถ้าเราทำทานทําบุญอยู่เรื่อยๆเราจะไม่โลภอยากได้เงินทองมากเราก็จะสามารถรักษาศีลได้ เมื่อเรารักษาสินได้เราก็จะภาวนาได้รักษาสิน5ห้าแล้วเราก็ค่อยรักษาสิ่งแปค่อยๆทําไปทําไปเพิ่มไปทีละข้อก็ได้ถ้ารักษาสิ่งแปไม่ได้ครบทั้งแข้อเอาหกข้อหข้อก็ได้เช่นข้อที่หไม่กินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วหรือถ้ายากเกาข้อที่เจ็ดก็ได้ไม่หาความสุขจาก สิ่งบันเทิงต่างๆเช่นไม่ดูหนังดูละครไม่ร้องรำทำเพลงไม่ใช้เครื่องสำอางไม่ใส่น้ำหอมไม่แต่งกายให้สวยงามด้วยเสื้อผ้าสีฉูดฉาดให้ใส่แบบเรียบง่ายเพียงเพื่อปกปิดร่างกายป้องกัน ร, ร่างกายไม่ให้ต้องกระทบกับความเย็นหรือถูก มแมลงสัตว์กัดต่อยไว้ป้องกันรักษาร่างกายก็พอค่อยรักษาเพิ่มไปทีละข้อสองข้อเดี๋ยวก็รักษาได้เองถ้ารักษาได้ก็จะมีเวลาที่จะมานั่งสมาธิมาไหว้พระสวดมนต์มาทําใจให้สงบมีเวลาที่จะมาสร้างสติจเจริญสติเพราะการจะทําใจให้สงบได้ต้องมีสติก่อน สติจะหยุดความคิดต่างๆไม่ให้คิดเรื่อยเปื่อยถ้าคิดเรื่อยเปื่อยใจก็จะนิ่งไม่ได้ใจเหมือนรถยนต์ที่วิ่งลงเขาถ้าอยากจะให้รถหยุดก็ต้องเหยียบเบรกว้ถ้าไม่เหยียบเบรกรถมันก็จะไหลลงเขาไปเรื่อยๆสตินี่ก็เป็นเบรคของใจเราต้องหยุดความคิดให้ได้ถ้าไม่หยุดความคิดใจก็จะสงบไม่ได้ วิธีที่หยุดความคิดก็ใช้ความคิดไปในทางตรงกันข้ามเช่นคิดว่าพุโทโธพุธโทโธถ้าเราคิดพุโทโธพุธโทโธไว้ใจก็จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าคิดพุโทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หยุดเองความคิดก็หยุดเองพอหยุดแล้วใจก็จะมีสมาธิมีความสงบมีความสุขมา ก, ม, า ม, ม, ากมีความสุขมากกว่า ความสุขทั้งหลายในโลกนี้ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ชนะความสุขทั้งปวงถ้าได้ความสุขจากความสงบแล้วก็จะหยุดความโลภหยุดความอยากได้เพราะจะเห็นว่าสิ่งที่อยากได้มาความสิ่งที่เราอยากได้มานี้ไม่ได้ให้ความสุขเท่ากับความสุขที่เรามีอยู่ความสุขที่เราได้จากความสงบ เราก็จะหยุดได้อย่างง่ายดายเช่นเราเคยมีความสุขกับการเล่นการพนันถ้ า, าใจของเรามีความสงบแล้วเราจะเลิกเล่นการพนันถ้ามีความสุขจากการดื่มสุราก็จะเลิกดื่มได้อย่างง่ายดายไม่รู้สึกอึดอัดไม่รู้สึกทรมานใจเลยเพราะใจมีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าอยู่ภายในใจแล้วนั่นเองถ้าเราสามารถหยุดความอยากต่างๆได้ ใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจเราก็จะหยุดทุกสิ่งทุกอย่างได้เราเคยรักเคยชอบใครเราก็หยุดรักเขาได้หยุดชอบเขาได้พอเราหยุดรักหยุดชอบเขาแล้วเวลาเขาตายจากเราไปเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อน mm hmm. นี่คือขั้นตอนของการดูแลรักษาใจ mm hmm. เพื่อให้ใจของเรานั้น อยู่อย่างมีความสุขตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาก็ตามเพราะใจเราไม่ได้พึ่งสิ่งต่างๆแล้วนั่นเองไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองไม่ว่าจะเป็นบุคคลต่างๆเราจะไม่พึ่งเขาแล้วเมื่อเราไม่พึ่งเขาแล้วเขาจะอยู่เขาจะไปก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าเรายังต้องพึ่งคนนั้นคนนี้อยู่พึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ เวลาเขาจากเราไปเราจะทรมานใจอย่างมากเราจะทุกข์อย่างมากและเราอาจจะไม่อยากจะอยู่ต่อไปก็ได้คนบางคนอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขพอร่างกายเป็นอมภพอมภะไปไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขได้ก็อยากจะฆ่าตัวตายเพราะไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไมอยู่ไปแล้วมีแต่ความทรมานใจ อยากจะไปเที่ยวก็เที่ยวไม่ได้อยากจะไปทาอะไรก็ทำไม่ได้นั่นก็เป็นเพราะว่าใจไม่มีความสุขในตัวใจไม่เคยผลิตความสุขในตัวตัวเองเพราะไม่เคยสนใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัตินั่นเองแต่ถ้าพวกเรานี่หมั่นมาวัดอยู่เรื่อยๆหมั่นมาทำบุญอยู่เรื่อยๆมารักษาศีลแปดในวันพระอยู่เรื่อยๆ แล้วมานั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมต่อไปใจของเราก็จะสามารถมีความสุขภายในใจได้พอมีความสุขแล้วต่อไปร่างกายจะเป็นอะไรก็จะไม่เป็นปัญหาร่างกายจะแก่ก็ยังมีความสุขได้ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยนอนอยู่ในโรงพยาบาลเป็นอัอมาาพาตใจก็ยังหาความสุขได้ มีความสุขได้แม้แต่เวลาที่ร่างกายตายไปใจก็ยังมีความสุขเพราะความสุขของใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายนั่นเองอยู่ที่ใจร่างกายกับใจนี้เป็นคนละคนกันเป็นเหมือนพี่เป็นน้องเป็นเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเป็นเจ้านายเป็นบ่าวใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงดูแลรักษาบ่าว ให้มาดูแลรักษาเจ้านายคือตัวเรารักษาใจของเราให้มีความสงบอยู่ตลอดเวลาด้วยการทำบุญให้กามด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาปฏิบัติธรรมจเจริญสตินั่งสมาธิจเจริญปัญญาจนใจปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ พอปล่อยได้แล้วใจก็จะมีความสุขตลอดเวลาจะไม่ทุก์กับอะไรทั้งนั้นนี่คือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพาาาระอรหันต์ทั้งหลายที่จะเป็นของพวกเราเช่นเดียวกันถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาดูวลรักษาจิตใจให้ท่านได้นำเอาไปพิณิพิจา และปฏิบัติเพื่อความสุขและความหลุดพ้นที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแกร่เวลาจึงขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญขุสลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญก้าข้าปลอดภัย จากทุกภัยอันตร า, ายทั้งหลายทั้งปวงลยทั่วหน้ากันเธอ